วันนี้ฝนก็ยังตกอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วมาลินมันก็ทั้งเดี๋ยวนี้ยัยงไม่หยุดแต่ก็คงจะไม่ไม่แรงเท่าไหร่หรือมั้งคงจะไปปลายของมันแล้วเราจะทํำยังไงได้เราอยู่ในท้องฟ้ามันก็ต้องรับทุกสถานการณ์พวกเราเองก็ต้องเปลี่ยน ส, สีเหมือนกิ่งกาฬ แดดมาเราเปลี่ยนยังไงฝนตกมาเราเปลี่ยนยังไงหนาวมาเราเปลี่ยนยังไงเพราเราอยู่ใต้ท้องฟ้าเราจะไปแต่งก็แต่งได้นิดหน่อยแต่งก็แต่งเพื่อตัวของเราทํามันหนาวมาทํายังไงหาผ้าห่มหน า, นาจุดไฟขึ้นให้มันอุ่นถ้าฝนตกทําไมต้องเข้าไปอยู่ในร่มแต่จําจเป็นก็ต้องใช้ร่มกลางออกไปทาไม่มีอะไรก็ต้องโควิอยู่ในบ้าน ที่ปลอดภัยถ้าฝนแรงฝนตกฟ้าร้องถ้าแดดทำยังไงก็ต้องลงไปแช่น้ำอาบน้ำใช้พัดลมใช้แอร์นี่แหละมันต้องเปลี่ยนสีเหมือนกิ่งก้านพวกเราพออยู่ในท้องฟ้าอยู่ใต้ท้องฟ้าเราจะไปดัดแปลงธรรมชาติมั น, มนยากกว่าจะดัดแปลงธรรมชาติมันได้ นั่นคือธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่บางทีของมนุษย์เองนะ่ะมนุษย์เองทำทำร้ายทาลายธรรมชาติ่วนหนึ่งทำให้ธรรมชาติชวนหนึ่งมีกําลังหลังแกมนุษยนะ์คือนั้นคืออะไรอันนั้นก็คือที่เราทำลายธรรมชาติก็คือเราทางป่าทางป่า ไม่ดูแลธรรมชาติไม่ปลูกป่าให้สมดุลผลที่สุดถางป่ามากๆต้นไม้ไม่ยึดแผ่นดินเวลาฝนตกมากับภูเขาถลายนี่แหละอันนี้ก็คือท ร, รมนุษย์ทํำร้ายธรรมชาติธรรมชาติส่วนหนึ่งก็เลยกลับมาทำร้ายมนุษย์นี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วก็คือสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ของมนุษย์แต่สิ่งแวดล้อมเข้ามาข้างในอีกการเป็นอยู่ของมนุษย์มีสิ่งแวดล้อมหลายชั้นเหมือนกับต้นไม้มีเก็มีเกล็ดมีเปลือกมีกระพีแล้วก็มีแก่นมีแก่นแล้วก็มีใจแก่นอีกต่างหากแน่นขนาดไหนใจแก่นของมันมีหลายชั้นธรรมชาติ นี้ก็เหมือนกันธรรมชาติข้างนอกคือเปลือกโลกธรรมชาติที่เราอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองธรรมชาติอยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ธรรมชาติตัวของเราธรรมชาติตัวของเราคืออะไรก็คือเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยคือธรรมชาติเราเกิดมาแล้วแล้วต้องมีสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินี้คืออะไร คือปัจจัยสีเข้าน้ำโพชนะอาหารผ้านหนุม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บจากนั้นก็นมีพ่อมีแม่มีวงศาคนายาติมีมิตรสหายมีประเทศชาติบ้านเมืองไล่เหตุไปตามลำดับหาความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็จะดีหมดไม่ใช่เราต้อง เรียนรู้หาวิชาความรู้ใครต้องการวิชาขนาดไห น, าานาชอบใจขนาแแดงไหนในวิชาความรู้นั้นก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ชอบคณิตศาสตร์บาตบางทงก็ชอบแพทย์วิศวะสถาปนิกกฎหมายชอบเป็นคนละอย่างกันอีกแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะมันเกือ้อกูลนุนกันการชอบนั้น แต่ว่าสิ่งแพรพร้อมที่อยู่ใกล้เราอีกที่เราหนีไม่ออกหนีไม่พน้นในหลักของพระพุทธศาสานาคือทิศทั้ง 6, ทิศทั้งหกอันนี้ทิศทั้งหกนี่พวกเราจะหนีออกจากทิศทั้งหหนีไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหทิศทั้งหคือทิศเบื้องหน้าข้างหน้าของเราคือบิดามารดาที่ท่านไหนเลี้ยงดูเรามาแล้ว เราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าถ้าเราทำไม่ถูกเนี่ยธรรมชาติจะเล่นงานเราถ้าเราถูกทำถูกแล้วจะราบรื่นเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มดรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้ก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาปฏิบัติตนอย่างไงในสามีภรรยาถ้าปฏิบัติตนไม่ถูกลิ้นกับฟันกัดกันอยู่เรื่อยพ้นให้สุดก็นั้นแหละหาความสุขไม่ได้ในครอบครัวนั้นหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เมื่อสามีภรรยาปี่นเกี่ยวกันไม่รู้จักฐานะของตนเองฐานะของเรา เราอยู่ในสถานะไหนเราควรทําตนอย่างไรในหน้าที่สามีในหน้าหน้าที่ภรรยาถ้าปีนเกี่ยวกันก็ น, นั้นแหะหาความสุขไม่ได้อีกในการเป็นอยู่ทนั้ น, น, นอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มีหลายระดับที่สอนพวกเราอย่างพวกเราได้เรียนรู้ในศึกษามาเนี่ย พ่อแม่ก็คือเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุคลาอาจารย์จากนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ในทงรัง้มโร ง, ร ง, รงเรียนอนุบาลปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกและยังไม่จบเพียงแค่นั้นอีกอยังวิชาอาชีพอื่นเสริมอีกวิชาธรเอาหงทำอาหารวิชาดูแลสุขภาพร่างกายวิชาเพื่อจ ะ, จะเอาตัวรอดอย่างไรในการเป็นอยู่ ในเพื่อนมนุษยชาติมีเยอะแยะอีกไม่ใช่ว่าเราเรียนคณิตศาสตร์จบอย่างเดียวเราเอาจากคณิตศาสตร์ภาษาภาษาข่าไม่สนมันก็ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษภาษาไทยทางได้มากภาษาอะไรก็ยิ่งดีอันนี้ก็คือต้องแสวงหาครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนอีกสอนแต่ธรรมะอย่างเดียวก็คือเป็นวิชาที่หาเลี้ยงชีพอย่างเดียว ไม่ก็ไม่ถูกอีกในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจัาหว่าถึงจะเฉลยวฉลาดเท่าไหร่มันก็เหมือนกับคนอยู่ในคุกวิชาในโลกเนี่ยคนอยู่ในคุกถึงจะร้องลัมทำเพลงเก่งขนาดไหนก็คือคนอยู่ในคนอยู่ในคุกอยู่ในตารางต้องหาวิธีออกนะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาได้วิชาอันหนึ่งเข้ามาอีกสอนวิชาออกจากคุกน เดี๋ยวนี้ก็คือนายคุมของเราก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นนายคุมอย่างแข็งขันเหมือนกันแหละผลในสุดก น, นะอยู่ในวัตถวนของเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาในคุกเกิดแล้วก็ตายตายเกิดมาในคุกอีกอย่างเก่านายคุมก็คุมไว้อยู่งั้นไม่อิสระพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาคนา้นคว้าพิธีมุดออกจากคุกทํำยังไงให้หนทางที่จะออกจากคุกนั่นคืออะไรทางมักแปด มักคับปิปทานมัคแปดคือหนทางที่จะออกจากคุกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนอันนี้คือครูบรมครูไม่ใช่ครูธรรมดาบรมครูเป็นครูที่สั่งสอนให้รู้จักวิธีการที่จะห ล, ลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนอันนี้คือครูบาอาจารย์คือทิศเบื้องขวามีหลายระดับเราจะไปเรียนรู้แต่วิชาภาษาไทยอย่างเดียว พอไปเมืองนอกออกมาเราจะคณิตศาสตรแล้วก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จะได้หรยอเพราะนั้นต้องมีครูบาอาจารย์สอนอีกมีหลายระดับสรุปแล้วอันนี้ก็คืออาจารย์คือทิศเบื้องขวาคิดเบื้องซ้ายคือมิตรสหายคนเราเกิดมาก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีเป็นหูเป็นตารู้จักทางดีทางชั่วรู้จักทางผิดทางถูกรู้จักสิ่งควรไม่ควร เือกูหนุนกันเมื่อตัวเองตกทุกข์แต่ ย, ยากเมื่อเขาตกทุกข์แต่ ย, ยากเราก็มองเขาไอช่วยเหลือเขาอย่างไรอันนี้คือมิตรสหายที่อยู่ใกล้กันคือเรียนเคียงคู่กันคือเป็นหูเป็นตาหาทางออกช่วยกันอันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรมิตรสหายทิศเบื้องบนเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์เราเกิดมา ในโลกก็ต้องได้พบครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของพวกเราที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดในใจของเราเมื่อเราเข้าไปศึกษากับท่านแล้วท่านก็จะได้แนะแนวให้แก่พวกเราอันนั้นผิดเนอะอันนี้ถูกเนะลูกหลานเนอะให้เป็นคนดีนะอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะอันนั้นนรกเนะอันนั้นสวรรค์นะ ถ้าเดินอย่างนี้คือไปสู่นิพพานตามแนวแถวของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสัมมณาณพราหมณ์เป็นผู้ชี้นำชี้แนะให้แก่พวกเราให้รู้จักดีหรือชั่วคือมันคนเรามันก็มีสองดีกับชั่วอยู่ในในใจของเราแรีว่าสีเทาคือกลางๆมีน้อยมากกุศลาสิ่งที่ฉลาดสิ่งที่ใช้ปัญญาอากุศลาก็คือสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่ชั่ว อัพยากตาเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเป็นสีเทาอันนี้มันมันยากมากครับไม่ค่อยมีหรอกโดยมากมันสุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งของกิเลสนั่นแหะอพยากตาทำมาเนี่ยก็มีอยู่ทันจึงบัญญัติขึ้นมาอพยากตาทำมาคือทําเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วอันนี้ก็คือสมณพราหมณ์ท่านจะต้องชี้ให้แนวให้รู้จักว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควร ควรจะพูดยังไงควรจะทำยังไงควรจะคิดยังไงจะมณฑปรามเป็นผู้ชี้นาชี้แนะที่ได้ศึกษาในทำคำสอนที่ถูกต้องมาแล้วไม่ใช่ว่าศึกษาแต่จะเฉพาะทำคำสอนของพระพุทธทเจ้าอย่างเดียวเราต้องศึกษาปรัชญาต่างๆที่โบ ร, โบราณเขาสอนกันมาเราได้ศึกษาอย่างไรเรารู้อย่างไรเราก็มาสอน ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นที่ที่มาเกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์เรต้องดูแนะนําสั่งสอนพวกที่ยังน้อยกว่าด้อยกว่าที่เขายังไม่รู้ตีเสาที่เขารู้แล้วเขาเรียนรู้กับเราสมณพราหมณ์เขต้องอาจจะได้เรียนรู้จากเขาอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะความรู้มันไม่ใช่อยู่จุดใดจุดหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่อยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งเหมือนกัน ไอคนหนึ่งไปเห็นงูจงอางอาจารย์ก็จะไปสมณพราหมณ์จะไปร่วงงูจงอางอยู่จุดไปรู้กับเขาได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาเห็นเลยนี่เมื่อเขาเห็นมาของงูจงอางอยู่จุดนั้นนะสมณพราหมณ์นะสมณพราหมณ์ก็ต้องเชื่อเขาเพราะเหตุไรเพราะเขาไปเห็นคนที่เชื่อถือได้ก็ต้องเชื่อเขานะไม่ใช่ไอ้กูไม่เชื่อหรอกชูเด็กเกิดมาทีหลังนะไม่มีหรอกงูจงอางอยู่จุดนั้นนีะ่สมณพราหมณ์ก็โดนงูฉกเหมือนกันนะ ไม่ไรพอส ม, มณพราห ม, ม, มณ์สมณพราหมณ์ก็ต้องฟังเหตุฟังผลยังเป็นผู้รอบครอบทุกอย่างนะว่าส ม, มณพราหมณ์นะแต่โดยมากก็อย่างว่าเหมือนกันส ม, มณพราหมณ์ยังมีกิเลสอยู่จะให้รอบครอบทุกอย่างก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ครอบครอบพอสมควระจึงเป็นส ม, มณพราหมณ์จากนั้นก็ทิศเบื้องต่ำเบ่าเบาวคือคนรับใช้คือคนงาน คนเราก็ต้องมีคนต่ำกว่าเมื่อเราเห็นคนงานคนรับใช้เราจะช่วยเขาอย่างไงแบ่งงานให้เขาทำอย่างไงให้อาหารรางวันเขาอย่างไรจะเกือ้อกูลหนุนเขาอย่างไรเมื่อคนงานเขาได้รับรางวัลดีเขาก็รักนายของเขาเขาก็เกือ้อกูลหนุนนายของเขาเกื้อกูลหนุนกันถ้ามีบริวารดีกิจการของเขาจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ แต่ถ้าบริวารไม่ดีอย่าหวังเลยในบริวารหลบเปลี่ยมหักซ้ายหักขวาทําอะไรขึ้นมาเขาก็บกบเอาไว้ไม่บอกตรงๆอย่างนี้แล้วเจ้านายจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกบริษัททางร้านนะอยู่ไม่ได้เพราะบริวารไม่ดีเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทิศ ท, ทั้งหกนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี อยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นฉุกไปหมดระหว่างเงาเป็นร่มเงาเงาของญาติเงาของบัณฑิตนักปราชญ์เงาของมิตรสาหายร่มเงาของสามีภรรยาร่มเงาของบิดามารดาร่มเงาของสมณชีพรามณ์แต่ถ้าเราทําไม่ถูกแล้วนัานแหละความเดือดร้อนมาสู่เราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ในหลักเลิหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนมีมากมายหลายอย่างแต่จะมาเน้นจุดที่ว่าทิพเบื้องขวาอาจารย์อาจารย์มีหลายระดับอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่สอนพ่อแม่ก็คือเป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกบุพก า, ารย์ในสอนเก่งไหมสอนดีไหมก็ได้ในระดับหนึ่งถ้าสอนดีจริงๆพวกเราคงจะไม่เรียนไปเรียน ปถมมัธยมปริญญาตรีเท่เอกเราก็ควจะเรียนกับพ่อกับแม่แล้วก็บจบไปอันนี้กับพ่อบุพลาจารย์เป็นเป็นเพียงแต่ว่าเป็นผู้สอนคนแรกเท่านั้นเองแต่จะให้ความรู้ความฉลาดรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนั้นพ่อแม่ก็ได้ในระดับหนึ่งแต่เป็นผู้มีเจตนาดีที่สุดพูดได้อย่างนั้นคือพ่อแม่เจตนาดีที่สุดเมื่อสอนตัวเองจบแล้วก็พยายามส่งเมื่อส่งแล้วก็ยัง ถ้าไม่มีขนาดไหนพอที่จะยืมกูน้นี่ยืมสินให้ส่งให้พวกเราเรียนอีกต่างหากบางคนก็อยากจะให้ลูกตัวเองได้ปริญญาตรีโทเอกขายไร่ขายนาสง่งอะไรเงี้ยเอาสุดๆเนะแต่บางครั้งก็เหมือนกับส่งบ้างบ้องไฟขึ้นฟ้าเลยส่งขึ้นไปเมื่อก่อนไขึ้นมันมีแต่ส่งขึ้นไปมีแต่สุกอากาศๆแต่มีแต่จะลงไปข้างล่างอันนั้นสมมดท่าเหมือนกันพ่อแม่กับหมด หมดสติหมดปัญญาเหมือนกันแต่บางคนก็ขึ้นได้จริงๆคะอย่างนี้อันนี้ก็สุดแท้แต่บุญมรรมีของพ่อของแม่กับของลูกคนนั้นอีกเหมือนกันแปลว่าพ่อลูกเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมตระกูลสรุปแล้วก็คือดวงสมพงกันว่างั้นเถอะดวงสมพงกันพ่อแม่ได้ลูกดีลูกก็ได้พ่อได้แม่ดีอันนั้นไปด้วยกันเรียบเลยว่างั้นแแต่ถ้าว่า พ่อแม่ก็ไม่ดีลูกก็ตั้งใจเรียนแต่มาเลเทมาไม่กล้าส่งแต่บางคนก็เป็นอัจฉริยะลูกเขาก็เก่งได้แต่บางคนก็พ่อแม่เก่งจริงๆอยากจะส่งลูกแต่ลูกไม่เอาทานอันนี้ก็มีมากต่อมากในโลกกันอันนี้คืออาจารย์นยพ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกจากนั้นก็ส่งเข้ามาลงระบโรงเรียนจากอย่างที่ว่านันก็ส่งเข้ามา ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยทำคำสอนของพระพุทธเจ้า 84%,00 มพระธรรมะขันเนี่ยนะอันนี้คือเป็นอาจารย์ทั้งหมดในพวกเราศึกษาเนี่ยนี่แหละบัณฑิตพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมขันของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คือบัณฑิตนักปรารถณ์บัณฑิตนักปราชถ์รช เ, เราศึกษาในมุมไหนในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านกล่าวไว้ในพระธรรม อันนั้นชั่วนะให้เราคิดดูให้ดีกันแล้วกัน ช, ชั่วจริงๆเหมือนกันแต่อันนี้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราปฏิบัติก็ดีแต่บางครั้งเราก็ฝืนเหมือนกันนะเพราะกิเลสของเรามันมีอยู่ในใจอย่างพระพุทธเจ้าให้ทานเนะี่เสียสละเนะี่ยเราเป็นคนหวงแหนในทรัพย์สมบัติของเราเราก็คว oh เราจะไปทําเสียสละเราหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบาก เราจะไปบริจาคให้คนแบบโง้อๆได้ยังไงเราไม่ให้ขีตณีทีเหนียวแต่เมื่อตัวเองขีตณีทีเนียวไปมากๆไม่มีหมูมีเพื่อนเลยไม่มีหมูมีเพื่อนไม่มีพักมีพวกเพราะคนขีตะณีก็ต้องย้อนไปไปถึงคำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเขาโอ้คนคนนั้นเขามีเงินเข้ามาแล้วเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งเองมีเงินร้อยบาทเขาเบี่ยงแบ่งเพีย ง, งบาทสองบาทเขาก็ยัง ยึดใจของพี่น้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เขายังมีบริวารได้เขายังสอนคนได้คนทั้งหลายยังให้ความเคารพนับถือเรื่มใส่เขาเพราะเขาเป็นผู้เสียสละนะแต่เราไม่ยอมให้แก่ใครเลยเนะี่ยรู้สึกมันหดเหดือดแห้งไปเรื่อยๆนะมันทําผู้มีปัญญาก็ต้องเปรียบเทียบโอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละในการทําบุญทําทานเออมีประโยชน์จริงๆเน พวกคนที่มีการเสียสละนั้นมีแต่ความก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าร่มเย็นเป็นถูกไปน่าจะฐานที่ใดมีแต่คนยกมือไหว้ทั้งนั้นแต่คนขี้ตีนีทีเหนียวไปใกล้เท่าใดมีแต่เขาหันหลังให้เพราะเหตุไรไปไปแล้วจะไปคดไปโกงเขาอีกต่างหากพราะคนเห็นแก่ตัวฮะนี่แหละทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นะเราก็รู้ได้แล้วว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียสละให้รู้จักการแบ่งปัน เรื่องสินกุเงมือนกันน่ไปนสถานที่ใดก็คุ้มครองตัวเองได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะเบียดเบียนต่อกันเพราะสินต่างคนต่างมีสินต่างมีต่างต่างคนก็ต่างถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างนี้แหละให้เราศึกษาพระไตรปิฎกทาคำสอนของพระพุทธเจ้าในมุมไหนเหลี่ยมไหนจนถึงมักอริยสถิสีทุกสมุทัยนิโรธมัชที่สอนเข้าไปสวนลึกแนวความคิดทางด้านจิตใจ ถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วก็จะมองเห็นอีกเอออันนี้คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อันนี้คือความรับทุกข์อันนี้มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความรับทุกข์มักแปดอันนี้ก็คือเป็นทนทางมุดออกจากห้องขังวันนั้นแหะแต่มุดออกจากคุกออกจากตารางออกหนีออกไปและดลอดออกไปจนยอมาทูตจนพยามารดุวะกิเลสราคาโทสะโมหะคุมไม่คุมไม่ได้วันั้นแหะ แต่ว่าเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นหายตัวอย่างลึกลับออกไปเลยตงั้นเป็นกายยโสธิ์ออกไปเลยออกไปจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นอมัมตะธาตัลอมตะธรรมเป็นธรรมธาตุจิตที่เป็นธรรมธาตุจิตที่ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละอันนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ไดการได้ฟังการได้ศึกษา จากตำรับตำราจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้เฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะที่ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างไรท่านจะแนะนำสั่งสอนท่านก็ได้ค้นคว้าศึกษานำในหลักธรรมมาเหมือนกัน mm hmm. เมื่อท่านนำมาแล้วท่านปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วท่านได้แนวปฏิบัติมาสอนพวกเราอันนี้ทำเรามั่นใจทชเพราะเหตุใดถ้ า, ราเราไปค้นคว้าศึกษาเองบางก็ ล, ลอยๆเพราะมันหาง แต่ถ้าท่านว่าท่านได้ปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เหตุผลแล้วอย่างนี้ให้ปฏิบัติดูนะให้ทำจริงๆจริงจังๆนะอย่างนี้พวกเราปฏิบัติตามพวกเราก็มั่นใจอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์สอนในระดับหนึ่งแนวทางสอนมาเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกนะั่นลูกเรายังเด็กเราจะเอาอาหารประเภทไหนให้กินถ้าลูกของเราโตขึ้นมาแล้วเราจะเอาอาหารเด็กให้กิน มันก็ยังไงมันก็ต้องอาหารแบบทดใจขึ้นมาทําเมื่อเป็นโตเป็นเต็มที่แล้วก็กินเหมือนกับเราเองกินกินยังไงก็กินอย่างนั้นนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกนะันวิธีการเืิ่งต้นทำยังไงให้มีสติสัมปชัญญะนะอย่าไปส่งกินไปที่อื่นนะ้งบังคับนะอ่เมื่อเด็กไปเรียนหนังสือเนะ่เมื่อเขายังไม่เห็นคุณค่าในการเรียน เราต้องบังคับในเมื่อเขาเห็นคุณค่าในการเรียนนะั่นแหละมันติดเองทีมันติดในการเรียนการศึกษาเองให้หยุดก่อนนะลูกนะช่วยพ่อช่วยแม่ซะก่อนพอพ่อแม่มีทุระเนยะโอ้โหเด็กมันนาบุญหน้างอ เ, อเหตุอะไรพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าเรียนจะไม่ทันคนอื่นเขาเนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันอานะการประพฤติธปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องบังคับตัวเอง ต่อศินต่อธรรมต่อสมาธิต่อแนวความคิดแต่มันยากไหมโอ้ไม่ใช่ธรรมดามากันนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนจูงหมาใส่ฝนเหลนั้นแนะจูงจิตจูงใจใส่ธรรมะเนี่ยเหมือนจูงหมาใส่ฝนพ อ, นะ อ, อนัะนอารับพรอนโมทนาให้